อุทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสรสนีสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะดำเนินรายการโดยสรสนีษานาพงศ์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเ m ฟเอมร้มีพระอาจารย์ไผบูร์อภิปุณโววัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีมาเป็นผู้ให้ธรรมะกับพวกเราค่ะกลาวนวัสการค่ะท่านคะเจียมพัค่ะท่านเข้ากรุงเทพบ่อยไหมคะเนี่ยก็ะจะมีการไปแสดงธรรมบ้างนะงในบางครั้งมางโอกาส เร็วนี้จะมีมาบ้างไหมคะซึ่งซึ่งครั้งต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาคมวันที่เจ็ดมีนาคมก็จะไปที่หอจุดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยใที่เราเรียกทั่วๆไปกันว่าสวนโมกกรุงเทพจ้่อยู่ที่สวนรถไฟค่ะไม่ใช่เดือนนี้เป็นเดือนหน้านะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็น<ล>เดือ น, นมีนาคมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการบอกให้เตรียมตัวล่วงหน้าแล้วกันเผื่อว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้าไป ฟังทําได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ะค่ะก็จะได้เตรียมวันกันเอาไว้นะคะวันที่เจ็ดมีนาคมเดือนหน้าไม่ใช่เดือนนี้รายละเอียดอย่างไรติดตามกันต่อไปทางรายการก็แล้วกันค่ะเดือพานแต่ว่าสถานที่นั้นเป็นที่สวนโมกลกรุงเทพใช่หรือว่าหอจุฬาเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเทวสวนจตุจักรอย่างแน่นอนค่ะเดือพานนอกจากค่ะนี่อยากเรียนถามท่านในเรื่องเกี่ยวกับ หน้าที่ของพระเนี่ยนะคะหน้าที่ของพระนอกเหนือจากที่จะอยู่ประจำเป็นที่เป็นทางให้ผู้ศรัทธาได้เข้าไปหามีหน้าที่จะต้องออกมาเพื่อที่จะมาโปรดเดี๋ยวฉันก็ไม่ทราบวาจะพูดคำไหนดีอ่าเขาเรียกมาโปรดหรืออะไรก็คือถ้าสมมติว่าเอาตามที่ พระพุทธจาพันญัติไว้ก็จะมีบอกนะว่าหน้าที่ของพระเนี่ยมีอยู่6อย่างด้วยกันภิกษุเนี่ยมีหน้าที่อยู่6อย่างคือ1นึ่องใน6อย่างที่เราพูดกันอยู่ในที่นี้เป็นประจำก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและแล้วก็2ทําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้มีความจําแจ้งถึงที่สุดนนี้พูดอยู่ในเรื่องของที่ทั้ง6หน้าที่ของภิกษุต่อกรวาสอีก4หน้าที่ที่เหลือลก็คือห้ามเสียจากบาปสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยใจอันงาม แล้วก็4ชี้ทางสวรรค์ให้ใเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการคือคือตรงเนี้ยเป็นเป็นหลักธรรมะนะคุณโยมเตียวเป็นหลักธรรมเพราะฉะนั้นคนก็จะตีความไปว่าเอเช่นชี้ทางสวรรค์ให้ก็จะบอกให้คุณทําทานชี้ทางสวรรค์ให้ก็จะบอกให้คุณนั่งสมาธิหรือว่าบอกกล่าวธรรมะในบทได้บทหนึ่งบุญมันก็เรื่องของทานศีลภาวนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่บอกให้ทําทานอันนี้ก็อาจจะเป็น คนก็จะเข้าใจกันว่าเออนี่เป็นการชี้ทางสวนให้จะตีความอย่างนี้ก็ได้ที <Okay. S 1> นี้ในเรื่องของการที่ถ้าเดินทางไปโปรดนะครับว่าโปรดนี่คือหมายความว่าอย่างที่พระพุทธเจ้านะเดินทางไปอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่บอกไว้กับพระอาหารหันต์หกรูปแรกแต่หลังจากที่รัสรู้ใหม่ๆตอนแรกนั้นเพิ่งมีพระอาหารหันต์อุบัติขึ้น60รูปนะี่ก็บอกว่าจงจาริกไปนะคือให้เดินทางไปอย่าไปทางเดียวกันซ้ำกัน2รูป แต่ราก็แสดงทําให้งดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดแต่สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็จะมีอยู่แต่สัตว์เหล่านั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วแต่จุดประสงค์คือไปเพื่ออะไรเพื่อแสดงธรรมแต่ได้ฟังธรรมแล้วก็จะมีความประสบความสุขความพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นการเดินทางไปอันนี้พูดไปชัดเจนตรัสไปชัดเจนว่าจุดประสงค์นั้นคือการไปแสดงธรรมแล้วก็แสดงธรรมนี้ก็จะต้องอที่เป็นทั้งอัฏฐะและก็พยัญชนะนะ ที่เป็นของพระพุทธเจ้าล่ะให้งดงามเบื้องต้นทําการที่สุดไปกั้นค่ะก็คือมีหน้าที่แสดงธรรมไปแสดง<ช>ไปแล้วก็ต้องไปแสดงธรรมใช่ใช่แล้วถ้าไม่ไม่มีคนนิมนต์ได้ไหมคะอ่าก็ไปได้นะอย่างเช่นว่าบางทีเราก็เห็นพระพุทธเจ้าไปโดยที่ไม่ได้มีใครนิมนต์นะพระพุทธเจ้าเองเสด็จไปที่อยู่ป่าแห่งนี้แล้วก็เสด็จไปป่าแห่งนั้น เนี่ยเรไปหาภิสูจกลุ่มนี้ที่ป่าแห่งโน้นอันนี้ก็มีเป็นไปได้ก็สุดแท้แต่เหตุใช่ใชะะซึ่งซึ่งเหตุหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นคนนิมนต์หรือว่าอาจที่นี่เราอยู่ภาวนามันไม่ดเีเหตุแห่งการไปเนี่ยมันอาจจะที่ที่อื่นเรียกไปเช่นมีคนนิมนต์เหตุแห่งการไปอาจจะที่นี้ไม่ดีอยู่ภาวนาแล้วจิตที่ยังไม่ตั้งขึ้นตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นพระพุทธเจ้าก็บอกให้ไป ให้เี่ยงไปจากที่นั้นโดยเร็วค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นท่านบอกว่าการที่พระภิกษุจะไปสอนให้คนตั้งอยู่ในความดีเช่นการบอกให้คนทําบุญทําบุญสุนทานหรือว่าให้ทานเมื่อสักครู่เดี๋ยวเข้าใจถูกใช่ใช่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะได้ยินว่าโอ้ทำไมคนนี้มาเรียออะไรอีกแล้วแต่คือถ้าเรามองแง่ให้ดีนะเรามองแง่ให้ดีเนะี่ย พระทำไมมาเรียไรแต ก, ก็ถ้ามองแง่ดีก็คือว่าท่านก็ชี้ทางสวรรค์ให้แต่เพราะอะไรนทานเป็นไปเพื่อสวรรค์อันนี้เราจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้จิตเราก็จะไม่เป็นอกุศล น, นะจิตเราก็จะเป็นบุญได้ค่ะทีนี้บางทีก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทางฝ่ายผู้ทําก็เข้าใจว่ากำลังบอกทางบุญแต่ ทางฝ่ายผู้วิาพากษ์วิจารณ์ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่บุญอืมเป็นประเด็นที่โต้แย้งอยู่ในสังคมอืมพอฟังท่านพูดว่าอ่าถ้าไปไปเหมือนกับเอ๊ะทำไมพระมาเรียร์ได้กรณีเหมือนกับปิดกั้นทางบุญของตัวเองและผู้อื่นใช่ไหมคะคือเรื่องนี้มันต้องดูที่ที่จีของทั้งสองฝ่ายก่อนนะคือหมายความว่า ถ้าจิตเราเป็นอกุศลเราต้องแก้ไขที่ตัวเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอสิ่งที่เป็นอกุศลมันเป็นความร้อนมันเป็นเหมือนกับไฟเผาจิตของเราถ้าจิตของเราเป็นอกุศลพระรูปนั้นอาจจะดีไม่ดีเราไม่รู้แต่สมมุติว่าท่านไม่ดีจริงๆสมมุตินะสมมติถ้าท่านไม่ดีจริงๆแต่ถ้าความไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเราเพราะการทําไม่ดีของเขาเขานี่เป็นใครก็ไม่รู้นะอาจจะเป็น<ว>พระกอพระขอะข อ, อาจจะเป็นา น, นายกอนายขอได้ทั้งนั้น แต่ถ้าความไม่ดีความไม่สบายใจเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเป็นความไม่สบายใจที่เกิดในใจของเรานะในใจของเราเราต้องละนะเพราะมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องต้องรีบแก้ไขแต่ซึุงตัวนี้อาตมาจึงพูดถึงประเด็นดที่ว่าเออถ้างั้นคุณก็พิจารณาให้มันดีให้มันถูกก็ได้มันก็จะมาสอบกรองลงกับตรงจุดที่เป็นพุทธพจน์ตรงนี้ค่ะว่าอัคราก็มีหน้าที่อย่างนี้ก็ได้แต่รเราก็สบายได้ค่ะเอ่อท่านพูดถึงเรื่องของการวางจิตนะคะ ดัน้นก็มีความเชื่อบางค น, นงก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ว่า อ, อย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเราก็รู้แล้วเราคิดว่าเรารู้ถูกใช่ไหมคะถ้าเราไม่นําเสนอว่าสิ่งนั้นผิดและสิ่งที่ถูกเป็นอย่างนี้เท่ากับว่ามันไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นคนที่รักษาความถูกต้องไว้ออันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สอนที่กําลังจะพูดต่อไปแต่จริงๆเรื่องนี้มันมีสามประเด็นประเดนน็นแรกคือตัวเราก่อ น, นคือจิตของเราก่อนบางยังไง อันนี้คือเราผ่านไปแล้วนะเราพิจารณาได้ละทีนี้อันที่2คือเรื่องของจิตของเขาในจิตของพระรูปนั้นหรือคนคนนั้นที่เขามาทํากิจกรรมใด้อย่างหนึ่งอาจจะถูกใจเราอาจจะไม่ถูกใจเราแล้วก็มาทําอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาทําด้วยอะไรแต่ถ้าเขาทาด้วยอํานาจของราคะโทสะโมหะอันนี้เป็นความร่าร้อนความรุ่มร้อนที่จะเกิดที่ไหนในจิตของเขานะเขาก็อาจจะไปตกนรกหมกไหมหรือว่าได้เป็นอกุศลธรรมที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งในในจิตของเขาหรือการกระทําตรงนั้นอาจจะเป็นจิตที่ จากความบริสุทธิ์ใจก็ได้แต่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเขาเขาจะได้รับกรรมดีแต่คนทํากรรมอย่างใดก็จะได้ผลอย่างนั้นละ่ะแต่ดีไม่ดีเขาคือต้องรับไปอันนี้คือที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเประเด็นคือตรงจุดที่3ตรงนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันถูกหรือไม่ถูกกันแน่แต่แตถ้ามันมันไม่ถูกตามอะไรเราก็ต้องมีมาตรฐานก็ตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แต่ถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้อย่างนี้อย่างนี้คุณกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอาธรรมอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอา้าวถ้าอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ถูกเราก็พูดจาชี้แจงกันให้มันถูกขึ้นมาอันนี้คือประเด็นที่3ที่เราควรจะต้องกระทําแต่ทีนี้การกระทําจากสิ่งที่มันไม่ถูกให้เป็นถูกแต่ไม่ถูกนี้คือตามใครก่อนนะต้องตามพระพุทธเจ้านะแต่คือตามอารมณ์เราไม่ได้ถ้าอารมณ์เราขุนเคืองไม่พอใจเราต้องรีบละสละความคิดนี้ซะก่อน ยังคือคนที่จะมาพูดถึงประเด็นที่3ได้ว่ามันถูกหรือผิดอย่างไรคุณต้องข้ามที่1มาก่อนละ่ะนะครับจุดที่1นึมาก่อนเพราะว่าคนที่เท่ายังมีความขุนเคืองอยู่ในใจเนี่ยคุณจะไม่สามารถจะเล็งเห็นได้เลยว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นเป็นกุศลธรรมหรือเป็นอกุศลธรรมเพราะมันมันจะมีอคติมันจะมีความลําเอียงจะเป็นไปนตามอํานาจของโทสะกติและเป็นตามอนานาจของฉันทากติฉันชอบเธอฉันก็พูดสนับสนุนแต่ฉันไม่ชอบเธอฉันก็พูดคัดค้านและโดยที่ไม่ได้เป็นไปตามตามตามตามีไหน เันไอ้ข้อหนึ่งี่เราต้องแก้ไขก่อนพอแก้ไขได้แล้ว เ, เราก็มาพิจารณาตามตามตามวินัยล่ะเพราะพระพุทธเจ้ามันอไว้อย่างนี้มีช่องตรงนี้ไปได้หรือว่าถ้าจะไม่ให้ทํอาอำมีใครมีผลกระทบ เ, เราก็มาพิจรารณาตรงๆคณะกรรมการที่จะมาพิจารณาเนี่ยก็ต้องเป็นสงส ง, ง, ง, งนี่หมายถึงหมู่ก็ต้องมีหมู่ละคนที่ทั้งได้รับผลกระทบทั้งได้รับประโยชน์ก็ต้องเป็นหมู่ที่มาพูดคุยกันมาประชุมกันพร้อมหน้าแค่ น, นี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ นะค ะ, ะพูดถึงในบางเรื่องเนี่ยมันก็ดูเหมือนความสับสนในมันหาปลายยากนะคะทําไมถึงหาปลายยากเหมือนกับอ่าสมมติเกิดในหมู่สงเนี่ยนะคะอืสงเช่นเดียวกันมีความเห็นในเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันเป็นไปได้อ่าแล้วก็บางคนบางคนก็อ้างคือต่างคนต่างก็อ้างพระพุทธเจ้าเหมือนกันค่ะอทีนี้อเพื่อ ทำให้ศรัทธา ย, ยังอยู่สำหรับผู้ที่เป็นผู้เขาเรียกอะไรคะก็ก็เป็นผู้คือเป็นว่าเป็นเป็นสามาโ<ล>กในธรรมะในนี้ฮะใช่อ่ะอะจะอันนี้จะจะ จ, ะจะทำอย่างไรดีร อ, อะค่คือถ้ามีความไม่ลงกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีคุณธรรมอันหนึ่งที่ว่าจะทำไงใ ห, ให้มีความปรองดองกั น, นเห็นพ้องต้องกัน คือถ้าเราจะยึดถือทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะต้องมีการบาทหมางกันแน่ทั้งๆ ท, ที่2ฝ่ายก็อาจจะถูกนั้นละ่ะแต่คนนี้ตีความว่าอย่างนี้คนหนึ่งที่ความว่าอย่างอย่างหนึ่งแต่ถ้าเผื่อว่าคนทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้รู้ต่ออํานาจของตันหาและทิฐิอํนะานาจของตันหาและทิฏฐินี่ก็คือพวกกิเลสที่จะทําให้เกิดความยึดถืออะไรต่างๆเนี่ยเขาพอที่จะทําให้มันทุเราทําให้ ม, มันเบาบางในจิตได้แตนะ่มันจะไม่ได้มีการมาทุ่มเถีออยงการแข่งแย่งกันว่าฉันต้องชนะเธอเธอจ้องชนะฉัน นะมีการผูกกรดกันอันนี้จะไม่เป็นเดนะเพราะฉะนั้นก็คือมันต้องข้ามข้อหนึ่งมาได้ก่อนนะคุณยมติวเดนะ่ความขัด <Okay. S 1> เคืองที่เกิดขึ้นในใจนะคุณต้องละให้ได้ก่อนแล้วนะคุณจะมาถึงข้อสามได้ถ้าละไม่ได้คุณกลับไปดูข้อหนึ่งซะแตนะ่ถ้ายังทำไม่ได้รีบกลับไปทำให้มันแก้ไขให้ดีตรงนี้ซะเราก็จะคุยกันไปได้คือมันก็จะ <Okay. S 1> ไม่ถูกอันหนึ่งก็ถูกอันหนึ่งอ่ะมันก็ไปกันได้นะ okay. ทีนี้ก็เกิดการเฮลโลสารภารู้จริงมั่งรู้ไม่จริงมั่งอันนี้ดิฉันต้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นพฤติกรรมของสังคมในยุคปัจจุบันนะคะที่ว่าถ้าใครจะยกประเด็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีคนไปช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์หรือบางทีไม่วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือว่าคอยยื้อปากคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงเนี่ยแม้ฉันอยากพูดฉันไม่พูดฉันอ้างคนนั้นพูด เพื่อที่สําเร็จผลสะใจฉันแต่ไม่ต้องมาเดือดร้อนฉันเมื่ฉันเป็นคนพูดอืฉันแค่ส่งผ่านใช่ตัวนี้ก็จึงต้องมีเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานนั่นก็ ค, คือสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั่นเองนเรื่องพุทธพจน์ เ, เรายกตรงพุทธพจน์บทนี้ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะอา้าวก็ตามพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองพระศาสนาบรรจัสมาญญยอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่แต่ประเด็นที่ที่ฉันกลับเรียนท่านคือว่าก็ต่างคนต่างอ้างพุทธเจ้า ทีนี้คนทั่วไปเนี่ยค่ะอาจจะไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษามากนักอันนั้นพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็อการที่จะหยิบยกขึ้นมาดังนั้นก็เชื่อว่าคนที่ยกเนี่ยกเชื่อโดยบริสุทธิ์นะคะว่าที่ยกขึ้นมาเนี่ยเป็นคําของพระศาสดาแล้วออืม่าจึงมันทําให้เกิดจิตเศร้าหมองอะค่ะมัน<อ>เลยทําให้คนที่ไม่มีความรู้เนี่ย สับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่คือคือตรงนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเหตุแห่งการแตกกันของภิกษุชาวโกสัมพีนะนะคุณโยมติ้วตรงนี้เพราะว่างงะ ค, ะคนหนึ่งก็ยกอันหนึ่งขึ้นมาเรื่องวินัยคนหนึ่งก็ยกเรื่องธรรมะขึ้นมาแล้วก็แตกกันทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกภิกษุที่เป็นต้นตอแห่งการแตกกันเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าอย่าแตกกันเลยอย่าระอย่าบาดหมางกันเลยนะให้สามัคคีกันก็ไม่ยอมบอกทั้งสองครั้งก็ไม่ยอมแล้วก็เลยพูดถึงหมวดธรรมตรงนี้ที่เรียกว่ า, าความเมตตา ถ้าเราสามารถตั้งความเมตตาเอาไว้ในเพื่อนผู้ประพฤติประมาชนในทั้งต่อหน้าและลับหลังเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยไอความบาดหมางแตกเล้ากันทิ่มแทงกันปุกโกรธกันเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกให้พิกษุเหล่านั้นเนี่ยตั้งความเมตตากันเอาไว้ซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งในที่แจ้งและที่ลับด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจซึ่งตรงนี้ก็คือมันจะต้องข้ามข้อหึ อย่างที่จะมาบอกมาก่อนตอนแรกนั่นแหละว่าความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตคุณน่ยคุณต้องรับได้ก่อนนะถ้ายังรับไม่ได้เนี่ยมันไปต่อจะขุดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทิฐิมันไปผิดแล้วเนี่ยมันเป๋ไปแล้วมันมันไม่ถูกไม่ตรงแล้วอะไรที่ตามมาตรงนั้นทั้งหมดมันก็ดีเร็วกันไปหมดมันก็เบี้ยวไปกันไปหมดนีคุณจะยกถูกยกผิดมันก็ผิดไปหมดเพราะฉะนั้นมันต้องตั้งแต่แรกก่อนแล้วว่าเฮ้ยจิตใจเราก็ให้มีความสามัคคีกันจิตใจเราก็อย่าบาดหมางกันทํายังไงอ่ะก็ให้มีเมตตาต่อกัน ระเอียเป็นยังไงทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งไหนบ้างทางกายทางวาจาทางใจอันนี้มันจะไปกันได้ <c oughs> แต่ประเด็นนะคือพระบริชาบอกอย่างนี้กับภิกษุสองรูป2กลุ่มนะนะเขาก็ไม่สามารถทําได้นัจนตั้งเป็นเรื่องที่แตกเล่ากันมีความรล่าล้านในหมู่สงฆ์ทำสงฆ์แตกกันก็เป็นเรื่องไปอันนี้ก็ชาวกรสัมปีอย่างที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันค่ะ <c oughs> นะคะดังนั้นเราในฐานะที่ ไม่รู้จะไปทางไหนดี <c oughs> งงๆงอยู่กลับมาที่ตัวเองเลยใช่ใช่อันนี้สำคัญะคะมาแก้ที่ตัวเองถ้าอาจารย์บอกว่าอย่าขุนเคืองใช่ไหมคะถ้ามีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตเมื่อไหร่เราต้องรีบละความขัดเคืองนี้เสียก่อน <c oughs> ละลความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเสียอ่าแล้วใครที่พอจะบอกได้เขาจะมีลักษณะความที่บอกง่ายที่สุดก่อนหรือว่าเป็นผู้ที่สามารถละความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของตนของตนได้อาเราพูดกับคนนั้น <c oughs> กาทำควารเข้าใจให้เกิดขึ้น <Okay. S 1> มูก็จะไปได้ <Okay. S 1> แล้วแล้วมัน <So> เป็นโอกาสนะคุณโยมติ๋วที่ว่าถ้าบอกว่ามีเรื่องที่มันเห็นไม่ตรงกันในสังคมแล้วเราใช้โอกาสเนี้ยในการให้ความรู้ที่ถูกต้องแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในสังคมให้ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนมายอย่า ง, ง้อย่างนี้มันก็จะทําให้เรื่องที่มันบิดเบี้ย ว, วเนี่ยกลับมาตรงได้และเข้าใจถูกได <Okay. S 1> อ้อย่างนี้จะเป็นไปได้ คือถ้าเรามองว่าวิกฤตเกิดขึ้นแล้วขอให้รู้ว่าโอกาสมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันอยู่ด้วยใช่เช่นเดียวกันอย่าละโอกาสที่ดีนี้เสียทีนี้ว่าไอ้จุดที่มันจะดึงให้เรากลับไปติด ก, กับนั่นก็คือเจ้ากิเลสเจ้าตัณหาแน่นเองเหมือนทุกครั้งเลยในกิเลสตัณหาก็จะดึงเราไปทางต่ำดึงเราที่จะให้ตกต่ำมันก็จะไปไม่ได้เพราะเราจะต้องทวนกระแส ต, ตรงนี้บางทีต้องอดทนน่ะเขาด่าเขาว่าเราเราก็อดทนเอา แต่เพื่อให้มีความสมัครสมาสามัคคีไม่เกิดความร้าวรานบางทีเราไม่ได้ทําไม่ได้พูดไม่ได้คิดอย่างนั้นเอาทําไมพูดว่าเราคิดเราทําอย่างนั้นเราก็โอดทนเอาเมันก็พอจะไปได้อยู่อืมค่ะความอดทนนอกเหนือจากเรื่องเมตตาเมื่อสักครู่แล้วต้องมีความอดทนด้วยใช่ขันติกับโสระจักความอดทนและความสงบเสงี่ยมก็พูดเรื่องนี้กับพิกสุชาวโกสัมปีมีตัวอย่างชัดเจนล ะ, ะนะว่าจะทําให้เราเป็นผู้ที่งดงามในธรรมะวินัยนี้ได้ค่ะ มีขันติมีโสรัจจะจะทําให้เราเป็นผู้ที่งดงามในธรรมวินัยนี้ได้ใช่น่าจดจําดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ดท่านเข้าใจว่าจะทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นได้เพราะว่าบางทีมันงงนะคะเอะเราจะเอาอยัางไงกันเนี่ยก็ท่านเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงท่านขัดแย้งกันเองอยู่อย่างนี้แล้วเราเป็นผู้ที่ดูอยู่ข้างนอกด้วยใจเฝ้าฝ่ายศรัทธาอืม ไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ท่องแท้เท่าตรงนั้นอย่างน้อ ย, อยแก้ที่ตัวเราก่อนเราอย่าไปพลอยขุนเครืองกับเขาเพราะขัดเครืองเมื่อไหร่อันตรายต้องละเสียคือถ้าเรามองในในแง่ของการภาวนาคุณโยมติว๋วถ้าเราจิตส่งออกเช่นคิดเรื่องคนอื่นหรือว่าดูข่าวมากหรือว่าดูข้อความทางมือถือมากอันนี้การที่เราจิตส่งออกเนี่ยเท่ากับเราให้การควบคุมจิตของเราเนี่ย เป็นไปตามอํนนานาจของคนอื่นอัน <Okay. S 1> นี้คือการทรงจริตดอกนะ mm hmm. เท่ากับเราให้การควบคุมจิตของเราเนี่ย mm hmm. ไปตามอํนนานาจของสิ่งนั้นสิ่งข้างนอก น, น, <Okay. S 1> นั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องลูกเรื่องผัว เ, เรื่องเมียเราให้คนอื่นเขาเอ า, เอ า, เ, อาเอาอํนานาจนี้ไป <Okay. S 1> เราก็ต้องเอาจิตของเรากลับมาตั้งอยู่ในใกายอันนี้คือจึงเป็นจุดเริ่มที่ว่าเออตรงนี้เราจะละละความขัดเกืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้ นะคะอคําว่าจิตส่งออกนีร้ึกคิดจะได้ยินบ่อยอจิตส่งออกเป็นภาษาแต่บบราณไหมคะเนี่ยจิตส่งออกจริงๆถ้าถ้ามาฟังดูคุ้นๆเนี่ยมันจะไม่ใช่พุทธพจลด้วยซ้ำนะินนไม่ใช่พุทธพจลด้วยซ้ำแต่แต่ถ้าพุทธพจน์ที่จะเข้าเข้าใกล้ๆ้คเคียงตัวนี้ก็คือว่ามีจิตไม่ฟุ้งไปในภายนอกอันนี้เป็นพุทธพจน์มีอยู่แต่มีจิตไม่ฟุ้งไปไม่สั้นไปในภายนอก แต่ก็ว่าไม่ฟุ้งไปไม่สั้นไปในภายนอกเนี่ย<ๆ>ก็คือไม่ไปคิดถึงเรื่องขันตั้งห้าที่เป็นไปภายนอกทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันค่ะอันนี้ก็คือจะเข้าเขาตรงนี้นะค่ะเออถ้าสมมติเราไปอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเรื่องเซฟพวกข้อมูลโซเชียลเน็ตเวิร์คสมมติอ่างนี้นะคะจิตฟุ้งสั้นไปในภายนอกฟุ้งไปสั้นไปในภายนอก ค่ ะ, ะคือคิดถึงขันทั้งห้าอันนี้ไปคิดถึงฐานขันห้าอยู่ตรงไหนของของไลน์นะคะอเช่นผมว่าข้อความมาทาง facebook หรือในทางไลน์ถูกไหมแล้วอ่านปุ๊บเนี่ยมันเป็นภาษาต่างๆละ่ะอ่านเสร็จปุ๊บมีความเข้าใจเกิดขึ้นอันนี้เป็นความหมายรู้เป็นความหมายรู้หมายรู้ว่านี่มันมันคำดา่าหรือเป็นคำชมหรือเป็นเรื่องอะไรเกิด ค, ค, ความหมายรู้หมายรู้คือสัญญาถูกต้องพอมีความหมายรู้แล้ว แล้วก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นคูอความรู้สึกว่าเฮ้ย <Okay. S 1> ฉันชอบหรือฉันไม่ชอบ <Okay. S 1> เรื่องนี้มันต้องไม่เกิดขึ้นนะทาไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย <Okay. S 1> นี่เป็นเวทนาเริ่มเกิดแล้วเป็นทุกขเวทนาแหรือเขาชมมาก็จะเป็นสุขเวทนาแล้วก็จะมีการปรุงแต่งกลับไปแล้วว่าเฉันต้องตอบมันอย่างนี้หรือฉันจะต้องคิดเรื่องต่อไปอย่างนี้การปรุงแต่งนี่อาจจะเป็นทางวาจาแต่คือวาจานี่หมายถึงพิมพ์ลงไปนะ okay. คือเป็นวัชจีกรรมที่อยู่ในใจไม่ได้เปล่งออกเสียงออกมาสังขารอ่าใช่นี่เป็นสังขารไปล ะ, ะเป็นวัชจีสังขารไปล ะ, ะหรือว่าเป็นมโนสังขารคิดมาแล้วฉันจะต้องทำแบบนี้ต่อเกี่ยนนู้นต่อเดี๋วก็เป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นอีกละเดี๋ยก็อยู่ในเนี้ยกันหน้าบางทีเขาส่งข้อความขายของมาเออฉันไปซื้อดีกว่าคลิปหน้าเด้งในนี้ก็เป็นรูปละเดี๋ยวก็ปรุงแต่งไปในทางรูปก็ซื้อมาทา ม, มาทํามากินก็เป็นไปอย่างนี้กันห้าค่ะนะคะ เพื่อที่ใช้ให้ท่านเข้าใจเรื่องขันห้ามากขึ้นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อสักครู่นี้ท่านไเบูบุ์พูดไปในครบขันห้าเลยไหมคะต้ oh, การพูดถึงสิ่งที่หมายรู้พูดถึงสิ่งที่ปรุงแตง่งพูดถึงเวทนาใช่แล้วก็ตัวหนึ่งที่ไม่ได้พูดก็คือการที่เราเข้าไปรับรู้นะการที่จิตของเราไปรับรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดความนึกพวกนี้วิญญาณนะคือการรู้แจ้ง าการรับรู้เนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปรับรู้วิญญาณนั่เนเองนี่แหละคือจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกแล้วใช่แล้วจะทํำยังไงเลยคะมันฟุ้งไปแล้วก็ท่านคะเอา้าเราก็จะต้องให้กลับมาอยู่ที่ตั้งคือคําว่าฟุ้งสายสั้นไปในภายนอกก็ไม่ใช่ว่าให้กลับมาตั้งสยบอยู่ในภายในเพราะว่าถ้าตั้งสยบอยู่ในภายในปุ๊บมันก็ถูกสยบถูกเกรียกว่ากลุ่มรุมอยู่ในภายในก็ไม่ได้อีก นะคือการว่าตั้งเสียบอยู่ในภายในหมายความว่าคุณมีสมาธิอยู่ข้างในแล้วก็เพลินไปในสมาธินั้นยินดีพอใจในสมาธินั้นก็ไม่ได้ก็จะหมายแต่ว่าให้เห็นสมาธิหรือว่าเห็นขันตั้ง5โดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้แหละ3มที่บ๊อบพระเจ้าใช้ก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่ง่อนแง่นไม่คอนแคลนในธรรมปัจจุบันนะไม่ง่อนแง่นไม่คอนแคลนในธรรมปัจจุบันนะ คือคือเป็นธรรมะเนี่ยคำว่าธรรมปัจจุบั น, นีหมายถึงธรรมะที่เป็นปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สมมุติเราคิดไปในเรื่องอดีตเนืเรื่องอดีตนะั้นเป็นปัจจุบันของเราณนะตอนนี้ถูกไหมแล้วเราเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นอ น, นัตตาอันนั่นแหละสแสดงว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ง่อนแง่ไม่กร่อนแกรนในธรรมปัจจุบันหรือว่าถ้าเราได้สมาธิแม่มีความสุขใจมากๆเลยอยู่ในภายในใครพูดอะไรว่าอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไร แล้วเราไม่เคลิบเคลิมไม่ลุ่มหลง <C> e <at> เห็นสิ่งนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นแสดงว่าคุณมีความไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแกลนในธรรมะปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นได้คือต้องไปพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่เหรอคะถูกต้องถูกต้องก็เห็นอยู่ตลอดจะเห็นอย่างนี้ได้ยังไงถามคุณโยมติ๋วหมายถึงว่าจะเห็นอ น, นิจจังได้ยังไงใช่ใช่จะเห็นได้ไงคําตอบคือต้องมีสติไงต้องมีสติคค่ะ สติต้องมีอยู่ตลอดเวลาเลยสำกันมาคกถ้าผมว่านี่คือทางแก้จากการที่ทั่วๆไปเนี่ยก็เกิดขึ้นกับทุกคนทุกเวลาพูดอย่างนี้เลยก็ว่าได้นะคะใ น, ใ, ในการที่จะฟุ้งซ่านไปในภายนอกคือคิดถึงเรื่องของขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิธีแก้ถ้าอาจารย์บอกว่าพุทธเจ้าตรัสให้เป็นผู้ที่ไม่ง่อนแงนคลอนแคลนในธรรมปัจจุบันคือมีสติเมื่อผ่านเข้ามาปุ๊บให้รู้เลยว่าไม่เที่ยงอ น, นิจจังอนนป็นทุก และอนัตตานะคะอยู่แป๊บแล้วเดี๋ยวก็ไปแน่นอนค่ะก็คงจะต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านแต่เพียงเท่านี้มั้งคะได้รายละเยเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะสําหรับการสนทนากับพระมหาภัยบุอภิปุลโนวัดป่าดอนไหศซอุดรธานีซึ่งมีข่าวดีสําหรับคนที่อยากเห็นตัวจริงของท่านแล้วก็อยากมาฟังธรรมของท่านเฉพาะหน้าในเดือนหน้านะคะเดือนหน้าเดือนมีนาคมวันที่เจท่านจะลงมากรุงเทพโดยไปที่ สวนโมกจตุจักเนี่ย น, นะคะสวนโมกกรุงเทพหรือว่าหอจดหมายเหตุท่านเพื่อธาตอินทปัญโยท่านฟังที่ครบค่ะแล้วก็สําหรับพวกเรานะคะดิฉันเองก็ศึกษาไปพร้อมๆกับท่านทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะดยการสมมุติตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเป็นท่านแล้วจะสงสัยแง่ไหนมุมไหนอย่างไรพยายามจะทําให้ท่านที่มีข้อสงสัยจะไม่มีโอกาสถามด้วยตนเองณเวลาที่ฟังรายการนี้อยู่ได้คลี่คลายความสงสัย ของตัวเราเองกันไปได้นะคะดีฉันเข้าใจว่าน่าจะพอทําให้ท่านทั้งหลายนําเอาไปปฏิบัติได้ในการดําเนินชีวิตประจําวันแล้วก็ได้เข้าใจวิธีการมองปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวเราเองก็ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างจากคนอื่นเหมือนกันอย่างาแบบมีธรรมะเข้าไปคลี่คลายให้ติดตามรับฟังในการสันสนิษฐาน ะ, ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟเอได้ในวันพรุ่งนี้ นะคะวันนี้พูดทว่าสวัสดีค่ะ